ผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะผู้ใดยังมีกิเลสดุจน้ำฝากคือมีกิเลสน้าเหนียวแน่นปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคลายกิเลส ด, ดังน้ำฝากนั้นได้แล้วมั่นคงในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นควรห่มผ้ากาสาวะอธิบายความกิเลสมีกามราคะความกำนัดในการเป็นต้น ท่านเรียกว่ากิเลสรุดน้ำฝาดธรรมนั้นหมายถึงการฝึกอินทรียหกให้เชื่องคือการฝึกตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เชื่องไม่มีพิดส่์ในการนำความทุกข์มาให้ไม่ต้องทำบาปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นสำหรับภิกษุพระาศาสดาตรัสว่าถ้าจะต้องทำบาปเพราะตาเป็นต้นแล้วก็ให้ควักในตาออกเสียในอินทรีย์อื่นๆก็เหมือนกันคารวะก็มีความจำเป็นในการฝึกอินทรีย์เหมือนกันแม้ในคารวะธรรม กล่าวคือทรรมสำหรับคราวญพระศาสดาก็ทรงบัญญัติธรรมะไว้ประการหนึ่งด้วยดังนี้ 1. สัจจะความจริงใจต่อกัน 2. ธรรมะการข่มอินทรีย์หกสขันติอดทนต่อหนาวร้อนความละบากตรากตาํำ 4. จาคะการเสียสละสงเคราะห์ครอบครัวและสังคมสัจจะนั้นมีในเป็นอเนกคือมีคำอธิบายมากแล้วแต่ว่าสัจจะนั้นมาในธรรมหมวดใด มีความหมายต่างกันออกไปกล่าวโดยปาริเสสนัยคือยังมีนายอื่นๆ อ, อีกเจะเอาเฉพาะที่พระาศาสดาตรัสไว้ในที่นี้แต่ความหมายเดียวก่อนในที่นี้ท่านหมายถึงว่าจีสัจจะคือพูดจริงบุคคลผู้มีมธรรมะและสัจจะยังมีกำนัดกล้าในการมรมุกุลห่ามีรูปเป็นต้นท่านว่าไม่ควรห่มผ้ากาสาวพัดส่วนผู้ปราศจากความกำลังกล้าแต่ประกอบด้วยธรรมะและสัจจะจึงควรห่มผ้ากาสาวะ เรื่องพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระอัคารสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะพาบริวารของตนไปยังนครราชเกลืชาวนาครราชเกลืชวนกันถวายอาคารตุกะฐานคราวหนึ่งพระสารีบุตรได้อนาโมธนาใจกว่าว่าผู้ถวายฐานด้วยตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมได้เฉพาะโภ้สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ทําด้วยตนเองย่อมได้บริวารสมบัติ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 พระทั้งหมดมีประมาณหนึ่งพรูปเมื่อนิมนต์พระแล้วก็เทวยวชักชวนคนทั้งหลายให้ช่วยกันรับเป็นเจ้าผาาบางคนรับสิบรูปบางคนยี่สิบรูปบางคนร้อยรูปตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์อุบาสกผู้นั้นได้เจ้าผ้าเพียงพอแล้วจึงประกาศว่าเราทั้งหลายจะประชุมกันหุงต้มในที่เดียวกันขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมของต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันครั้งนั้นมีกุฎุมีคนหนึ่งได้ให้ผ้ากาสาวะอันมีราคาถึงแสน ซึ่งนํามาจากแก้นคันธาระแก่บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นพร้อมกับสั่งว่าถ้าของทําบุญทานวัดของท่านยังไม่เตยมพอท่านเพิ่งเอาผ้าผืนนี้เติมเข้าไปหรือขายผ้าผืนนี้แล้วซื้อของอย่างอื่นมาทําบุญแต่ถ้าของทําบุญของท่านมีพอแล้วก็ขอให้ถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ท่านต้องการแต่ปรากฏว่าของทําบุญทุกอย่างมีพร้อมสิ่งบกพร่องมิได้มี อุบาสกจึงถามเพื่อนทั้งหลายผู้ร่วมทำบุญว่าจะถวายผ้านนี้แก่ภิกษุรูปใดบางพวกกล่าวว่าควรถวายพระษารีบุตรบางพวกว่าระสารีบุตรนานๆท่านมาครั้งหนึ่งส่วนพระเทวทัตอยู่ประจำเป็นสหายในงานมงคลและอาวาัมงคลทั้งปวงควรถวายแก่พระเทวทัตถียงกันพอสมควรแต่เสียงข้างพระเทวทัตมีมากกว่าจึงตกลงถวายแกพระเทวทัต พระเทวทัตตัดผ้านั้นเหย็ดและยอมแล้วนุ่งห่มเที่ยวไปในที่ต่างๆมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วพูดกันว่าผ้านั้นดีเกินหาควรแก่พระเทวทัตไม่แต่ควรแก่พระสารีบุตรพระเทวทัตผมผ้าอันไม่สมควรแก่ตนครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งไปจากกรุงราชคลึกไปเฝ้าพระาศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีไปทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาตรัสว่า พระเทวทัตใช้ผ้าอันไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนพระเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่ควรแก่ตนมาแล้วเหมือนกันเมื่อพิสุรูปนั้นทูลถามก็ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าว่าในอดีตการมีนายพรานช้างคนหนึ่งชาวเมืองพรารณสีลอมช้างแล้วนำงา a เนื้อล่ำและไส้ใหญ่ไปขายเลี้ยงชีพคราวนั้นมีช้างหลายพันหากินอยู่ในป่า ได้เห็นพระปัเจกับพุทธเจ้าก็คุกเข่าทั้งสองลงแสดงอาการเคารพแล้วเดินไปวันหนึ่งในพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราลมช้างพวกนี้ยากก็มันเห็นอะไรหนอจึงแสดงอาการจบเมื่อรู้ว่ามันเห็นผ้ากาสายะจึงปรารถนาได้ผ้ากาสายะมาคลุมกายเมื่อพระประเจกับพุทธเจ้าลงสู่สระเพื่อส่งน้ําเปลื่องผ้ากาสายะไว้ริมสระ พ่านช้างลักกีวร น, นั้นแล้วถือห อ, อกนั่งคลุมโปองอยู่ริมทางที่ช้างผ่านไปมาหมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบด้วยเข้าใจว่าเป็นพระประเจกับพทธเจ้าพรานจึงพุ่งห อ, อกมุ่งเอาตัวสุดท้ายแล้วนางาและส่วนต่างๆไปขายเลี้ยงชีพพ่านนั้นทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานจนกระทั่งพระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิในกำหนดช้างเป็นนายโขลง พระโพธิสัตว์เห็นบริวารของตนร่อยร้อไปผิดปกติจึงถามช้างอื่นๆแต่ไม่มีใครทราบพระโพธิสัตว์คิดว่าช้างทางหลายจะไปไหนก็ต้องบอกเราก่อนไม่บอกแล้วไปไม่เคยมีคงจักต้องมีอันตรายบางอย่างเป็นแน่แท้นึกสงสัยบุรุษผู้นั่งคลุมผ้ากาสายะวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ให้ช้างบริวารเดินล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนเดินสังเกตการและระวังตัวมาข้างหลัง เมื่อช้างทั้งหลายจบแล้วเดินผ่านไปพรานเห็นพระโพธิสัตว์เดินมาโดดเดี่ยวจึงแหวกกีวรพุ่งหอกออกไปพระโพธิสัตว์เดินระวังตัวอยู่แล้วจึงถอยหลังไปหน่อยหนึ่งหลบหอกแล้ววิ่งแรงเข้าหาในพรานพรานเห็นดังนั้นวิ่งไปหลบที่ต้นไม้พระโพธิสัตว์เอางวงรวบพร้อมทั้งต้นไม้หมายใจว่าจะฟาดลงบนแผ่นดินแต่พอเห็นผ้ากาสายะใจก็สลดลงยับยังสติไว พลางคิดว่าถ้าเราประทุษร้ายบุรุษนี้ชื่อว่าทำลายความละอายในพระพุทธเจ้าพระประเจกับพระพุทธเจ้าและพระขีนาศพหลายพันองค์จึงถามพลานว่าได้ค่าญาติของท่านมากมายหรือพลานรับเป็นสัตว์พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าทำไมท่านจึงทำกรรมอันหยาบช้าหินป่า น, นี้ท่านห่มผ้าไม่สมควรแก่ตนผ้าอย่างนี้สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะ ท่านได้ทำ ร, รมหนักเสียแล้วดังนี้แล้วจึงกล่าวคำอย่างเดียวกับที่ยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นแล้วให้อวาจว่าต่อไปภายหน้าจะได้ทากรรมอย่างนี้อีกแล้วปล่อยเข้าไปพระศาสดา น, นำเรื่องนี้มาเล่าแล้วทรงประชุมชาดกว่าพรานในครั้งนั้นคือเทวทัพในครั้งนี้ช้างโภธิสัตว์คือเราตถาคตดังนี้แล้วทรงย้าอีกว่ามิใช่เพียงในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อน เทวทัตก็ใช้ผ้าไม่สมควรแก่ตนมาแล้วส่งปรารบเรื่องนี้เป็นเหตุพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาสิตเรื่องผู้ควรและไม่ควรแก่การห่มผ้ากาส า, าวะดังได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องตน้น